หนึ่งร้อยวัสารจาริกาปฏิกะเขปาธิว่าด้วยทรงห้ามเที่ยวจาริกระหว่างพรรษาเป็นต้นเรื่องพระเจ้าปักีเที่ยวจาริกในระหว่างพรรษาข้อหนึสมัยนั้นผู้ภิกษุเจ้าปักีเข้าจำพรรษาแล้วก็ยังเที่ยวจาริกไปในระหว่างพรรษา มนุษย์ทั้งหลายพากันตมีประนามโผนทนาว่าฉไนพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนย่ำตินชาติอันเขียวสดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตมีนซีเดียวเหยียบสัตว์เล็ ก, ลกจำนวนมากให้ถึงความวอดบายเล่าพวกกัญญาเดรธีเหล่านี้ผู้สอนธรรมไม่ดียังพักอยู่ประจำที่ตลอดฤดูฝน อีกทั้งฝูงนกเหล่านี้เราก็ยังทํารวงหลังบนยอดไม้พักอยู่ประจำที่ในฤดูฝนส่วนพระสมณะเชื่อสายสกยุตรเหล่านี้เที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนย่ําตินิชาติอันเขียวสดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตมีอินทรีย์เดียวเหยียบสัตว์เล็กๆจํานวนมากให้ถึงความวาดวายภิกษุทั้งหลายได้ยินมนุษย์เหล่านั้นตนําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิ ประนามโพลธนาว่าขณะผู้ภิกษุชาวพกีเข้าจําบรรษาแล้วจึงได้เที่ยวจาริกไปในระหว่างพรรษาเล่าแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเข้าจำพรรษาแล้วไม่อยู่จําให้ตลอดสมเดือนพรรษาต้นหรือสมเดือนพรรษาหลัง ไม่พึงหลีกจาริกไปรูปใดหลีกไปต้องอาบัติทุกกฎเรื่องปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เข้าพรรษาข้อ186สมัยนั้นพวกภิกษุชาวพคีไม่ต้องการจะเข้าจำพรรษาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม่เข้าจำพรรษาไม่ได้รูปใดไม่เข้าจำพรรษาต้องเอาบิทุกข์เรื่องจงใจเดินผ่านอาวาสสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวบัคีไม่ต้องการจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษานั้นจงใจเดินผ่านอาวาสไปภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดไม่ต้องการจะเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษานั้นไม่พึงจงใจเดินผ่านอาวาสไปรูปใดเดินผ่านไปต้องอาบัตทุกขเรื่องการเลื่อนการฝนสมัยนั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัตมีพระราชประสงค์จะทรงเลื่อนวันเข้าพรรษาออกไปจึงทรงพูดไปสํานักภิกษุทั้งหลายว่าถ้ากระไรขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าพรรษาในชุนหะปัก